สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทนําในพระธรรมหนึ่งพงกริย์ครับซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาตั้งแต่บทที่1ข้อที่1เป็นต้นไปแต่ในเช้าวันนี้ครับขอบทนําเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจพระกัมพีฉบับนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เราอ่านพระกัมภีร์เดิมนั้น หากว่าเราไม่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาเบื้องหลังของพระกัมพีฉบับนั้นเมื่อเราอ่านเราอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับเพราะเหตุที่ว่าเมื่อเราเข้าใจบริบทเบื้องหลังแล้วจะช่วยให้เรารู้ว่าแต่และเล่มของพระกัมพีที่ปรากฏอยู่ในพระกัมพีเดิมนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีจุดประสงค์คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่ยอมมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเขาจะมีชีวิตในอนาคต เป้าหมายแตกต่างกันเราเช้นได้จากปบทศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอลและกษัตริย์ของยูดาในพจนานุของพระเจ้าหนึ่งพงกษัตริย์นี้อย่างชัดเจนครับพี่น้องครับ1นงพงศษัตริย์นั้นมีทั้งหมด22บทแล้วก็ครึ่งหนึ่งครับ11บทเป็นเรื่องของอาณาจักรที่ยังรวมตัวกันเป็น1อย่าลืมนะครับว่าขณะที่อาณาจักรนั้นยังรวมตัวกันเป็นหนึ่งมีกษัตริย์อยู่3องค์ครับ ก็คือ1กษัตริย์ซาอูล2กษัตริย์ดาวิดและ3กษัตริย์โซโลมอนโซโลมอนนั้นได้เป็นกษัตริย์และได้บรรยาย11บทนะครับของ1นงพงกษัตริย์ชีวิตของดาวิดนั้นบันทึกอยู่ใน2อซโมเอลและชีวิตของซาอูลนั้นบันทึกอยู่ใน1นึ่งเซโมเอลพอหนึสอซโมเอลนะครับก็กลายเป็น1นงพงกษัตริย์ที่บันทึก ชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนและบันทึกถึงอาณาจักรเดียวที่เป็นหนึ่งภายใต้การปกครองของกษัตริย์โซโลมอนและอาณาจักรที่แตกแยกกันหลังจากที่โซโลมอนตายโซโลมอนเป็นนักพรรึกษศาสตร์ครับนักรรสัตววิทยาเป็นสถาปนิกเป็นนักกวีเป็นนักปรัชญาโซโลมอนนั้นเป็นกรรษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปอดศาสตร์อิสราเอลมีสติปัญญาล้ำเลิศที่สุดแต่ ในขณะเดียวกันครับมีมเหสีมากที่สุดและมเหสีของชอลมอนนั้นเมื่อวานผมได้กล่าวไปแล้วครับเขานําพระปลอมนํารูปเคารพนําการทำพิธการรูปเคารพและนําการปลูกสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนสถานนัดปรการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเข้ามาในอิสราเอลพี่น้องครับการมีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีชอลมอนเองก็รู้ทุกอย่างครับ เพราะว่าเขามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่เนื่องจากนิสัยของเขาเนื่องจากคาแรคเตอร์คุณลักษณะของเขานั้นเป็นคุณลักษณะที่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าประนีประนอมการประนีประนอมนั้นทำให้เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการเชื่อฝังพระเจ้านั้นได้ขาดตกบกพร่องไปและด้วยเหตุนี้ การปรีปนอมก็เลยกลายเป็นการทำลายชีวิตของตัวเองและการทำลายชาติการเชื่อฟังพระเจ้าครับและเชื่อด้วยความอดทนเชื่อด้วยยึดหลักการว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ทุกอย่างของประเทศอิสราเอลและของกษัตริย์บ้านเมืองภายใต้การปกครองของกษัตริย์โซโลมอนนั้นโซโลมอนนั้นลืมไป คิดว่าการประนีประนอมนั้นจะสามารถที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้การประนีประนอมนั้นสามารถทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขได้พี่น้องครับจึงเกิดความแตกแยกตามมาทีหลังและความแตกแยกนี้ไม่ได้เริ่มแตกแยกนะครับไม่ได้เริ่มแตกแยกหลังจากที่โซโลมอนตายแต่แตกแยกมีเค้าลังแห่งความแตกแยกมาแล้วแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าโซโลมอนนั้นพลาดครับ ชีวิตของโซโลมอนแม้ว่าจะมีสติปัญญามีอำนาจมีความสำเร็จมากกว่ากษัตริย์ทุกองค์แต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือการที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจพี่น้องครับกษัตริย์ต่างๆหลังจากโซโลมอนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะละทิ้งบทบัญญัติของพระเจ้าไปกราบไหว้พระอื่น สงผลที่ทําให้พวกอิสราเอลนั้นเปลี่ยนศาสนาและการปกครองให้สอดคล้องด้วยความปฏิบัติหมกับความต้องการของตัวเองเขาก็ละเลยบทบัญญัติของพระเจ้าสิ่งนี้เองครับทําให้กษัตริย์ไปสู่ความหายนะและนําพาประเทศชาติไปสู่ความหายนะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้นะครับว่าสติปัญญาอํานาจความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าครับ ไม่ว่าเราจะนำหรือเราจะปกครองใครก็ตามเราจะไม่สามารถทำได้ดีถ้าเราไม่สนใจแนวทางของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำในระดับไหนก็แล้วแต่นะครับความสามารถของเราขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังการที่จะให้พระเจนะของพระเจ้ามาก่อนครับอย่าปล่อยให้ความต้องการส่วนตัวบิดเบือนประณีประนอมพระเจของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเป็นข้อคิดในเช้าวันนี้ ประเด็นต่อไปครับก็คือชิปอด1อบทแรกนะครับของภายใต้การปกครองของกษัตริย์โซโลมอนนั้นเมื่อโซโลมอนได้เป็นกษัตริย์สืบต่อมาจากกษัตริย์ดาวิดสติปัญญาที่เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดของโซโลมอนทําให้โซโลมอนนั้นสร้างพระวิหารพระวิหารของโซโลมอนเป็นเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดในสมัยนั้นและถือว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณหากว่ายังคงเหลืออยู่นะครับพี่น้องครับพระวิหารเป็นสถานที่สำหรับการน้ำมาศการและการอธิษฐานสถานน้ำมาศการนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวยิวเป็นสถานที่ที่พิเศษที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่เป็นที่เก็บหีบพันธสัญญาซึ่งบรจุพระบัญญัติ10บประการพี่น้องครับเราจะเห็นว่าแนวคิด ของการสร้างพระวิหารนั้นก็สืบเนื่องมาจากเต็นนัดพบนะครับเรียกว่าไทเบนิเ e c ิล t ท b บนิเ e, c ิล tabernacle tabernacle แปลว่าเต็นนัดพบครับเต็นนัดพบนั้นก็มีความหมายว่าเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์เมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าเคลื่อนนะครับในถิ่นทรกันดารพวกเขาจะต้องถอดหมุด ของเต็ rop, นนะัดพบเต็นนัดพบนั่นก็คือเป็นเหมือนกระโจมครับเป็นเหมือนเต็นสามารถที่จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ในถิ่นทวัตการ์แดเพราะว่าถิ่นทวัตการดนนั้นยังไม่ใช่เป็นสถานที่พำนักถาวรของอิสราเอลแต่เมื่ออิสราเอลนั้นภายใต้การนําของโยชูวานะครับเขาได้เข้ามาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของโซโลโมอน กษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นผู้ที่ดําริว่าควรจะต้องมีการสร้างพระวิหารแล้วเพราะว่าในสมัยของดาวิดนั้นก็ยังมีเต็นท์อยู่ครับยังไม่ได้ทําลายเต็นท์นะครับเพราะเนื่องจากยังไม่มีพระวิหารหลังจากที่ซุลามอนได้รับมอบหมายจากพระราชบิดาคือดาวิดมาสร้างพระวิหารให้จบพี่น้องครับพระวิหารจึงกลายเป็นสถานที่นมัสการและกลายเป็นที่เก็บหีบพันธสัญญา คำว่าพันธสัญญานั้นมีความสําคัญครับเป็น พ, พันธสัญญาน n i r a ์ที่พระเจ้าได้ทรงทํากับประชากรของโปรงสถานที่นสัสการที่สวยงามนะครับก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดความบาปหรือเกิดความประณีประนอมการนสัสการพระเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างจริงใจนะครับจริงใจก็คือนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงมันอยู่เหนือสถานนับการที่สวยงามครับ การที่จะมีโอกาสที่จะนมัสการอย่างแท้จริงได้ก็หมายความว่าเราจะต้องเชิญพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ประทับอยู่ในชีวิตของเราครับการนมัสการพระเจ้าของเราจึงเป็นการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นจะต้องรับการชำระตัวเองรับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ครับการรับ การชําระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นหัวใจของการนมัสการเพราะเหตุที่ว่าในพระธรรมเลวีนิติกันดมิถีก็พูดถึงเรื่องของของที่จะนํามาถวายพระเจ้าของที่จะนํามาเพื่อการนมัสการพระเจ้าของที่จะนํามาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปเพื่อให้คนอิสราเอลที่นําเครื่องบูชาเหล่านั้นจะได้รับการยกโทษบาปมีชีวิตที่บริสุทธิ์อันนั้นเป็นสิ่งเดียวกันครับกับการนมัสการในพระกุมภีร์ใหม่และในยุค ข, ของคริสตจักร ในสมัยของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นหลักการของการนมัสการนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับก็คือจะต้องนำตัวเองมานะครับและนำสัตว์มาแต่สมัยนี้เราไม่ต้องนำสัตว์มาแล้วเพราะว่าพระเมสสโปโดกหรือลูกแกะของพระเจ้าคือองค์พระเยสุคริสนั้นโปร่งเป็นเครื่องบูชาโปรงได้ทรงสิ้นพระชนบนมบแหงเขนตายแทนเราเรียบร้อยแล้วเราจึงนาตัวเราเองมา ด้วยความจริงใจเราสารภาพบาปรับการชำระจากพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้ารับการยกบาปจากพระเจ้าด้วยการที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าและขอให้การชำระที่มาจากพระโลหิตอันทรงฤท ธ, ธานุภาพของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งไหลบนแมงเขนนั้นทาให้เราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษบาปครับ แต่เมื่อเรารับการไัน่นโทษบาปนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเราสามารถที่จะรับพระราชณะของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะอธิษฐานทูลขอวิงวอนกับพระเจ้าได้และนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิทพิเศษสำหรับลูกของพระองค์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ดังเช่นอิสราเอลพี่น้องครับในการนมัสการพระเจ้าผมอยากจะเรียนถามว่าชีวิตส่วนตัวในการนมัสการพระเจ้าของท่านเป็นอย่างไรบ้าง เรานมัสการพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปด้วยการทูลขอการทรงนำของพระบิดาพระเจ้าในชีวิตของเราและเราเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อที่จะนำมาซึ่งการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือการถวายตัวครับการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่นั่นเป็นการนมัสการด้วยวิ ญ, ญญาณจิตของท่านทั้งหลายนี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1พี่น้องครับ พระเจ้ะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการปรณีบันิ n o นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปณีบันิ n o ในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของของพระเจ้านะครับการปฏิบัติ n ในสายตาของมนุษย์นั้นนะก็ดูเหมือนว่าจะดีแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่แหละครับปณีบัตนอมไม่ได้ครับ ปฏินิยน้อมกับโลกไม่ได้ปฏินิยกรรมน้อมกับสิ่งอื่นๆไม่ได้เพราะวจนะของพระเจ้านั้นเป็นจริงทุกอย่างและขณะเดียวกันครับเพราะพะจ้าของพระเจ้าสั่งห้ามอะไรไว้เราก็ต้องห้ามเด็ดขาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบไหว้รูปเคารพการปณิกรรมน้อมกับโลกการปฏินิยกรรมน้อมกับสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องยืนหยัดมั่นคงในจุดยืนแห่งพระเจนะของพระเจ้าของเราอาเมน